ก็วงพอมีกระดกจากศูนย์ไม่ตายไม่เดินพาไปรูปเอริคอนให้มาฝากขอเออีหลงพ่อว่าอย่างนี้ว่าขนานี้ปกาลังบินเทศนจะไปที่ห้าหกไหลที่บางบัวทองราคาไหลล้นราบมาเดี๋ยวก็ให้เขาเต่นแบบไหนสุดๆเลย อว้่ได้ได้นะใช่ใชสบั้ดการทั้งนี้ถ้าเขเนูจะายปูนเียนต่อมหาวิทยาลัยหลวงพ่อปนิดเดียวใ้หลวงพ่อไมหาวิทยาลัยนมาเอาเรียนโลีขอีหลวงพ่อทธิกให้ความสาหะของลูกเขาเด็กด้วยเลยเจ้าพ่อเพราะเเจาพคุณรวยๆนะ เขาได้ดูความปัญหานาคาธรรมัญญาพเดชวัตถหลวงพ่อติพย์พลดยสูงสุดลูกสสัยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสังฆรานครบถุกคือว่าที่สูงก็จะสะพานข้าลานมีสังฆทานก็ทาแบบเดียวกับที่ตอนไหนลงพุระการ แต่ว่ามีท่านประมาชิคนหนึ่งมีความมันใจควทมพิศโลมเจ็แสบก็อยากจะเอาไปรุษาธิบานจึงจัดการหาติดกรรมแต่ว่าคณะกรรมการยังไม่ลงมติให้มาถามหลวงพ้อว่าจะสมควรหรือไม่เพราะเขาต้องการจะเอาเงินเข้าไปถือแข่งนี้เจ้าภาพไม่รู้ไม่รู้ผงตัวเลข เทานี้นี่ซื้อมันจะสมมาณเท่าไรขายเข้าไปเท้าตัวแต่ได้เสมอใช่ใช่ใช่อ๋อเงินก็ไม่่าดดูนั้นเล้าไปเลยนะต่ล้วหลวกพ่อที่พระรปรู้จักลูกบุมักมองไ่ยิ้มทิพย์มักแรกก็เรียนมีโอสามกลาบต่อมาหลพอจเจ้าที่พสุรามันนี่ โดยจะโฆาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่ามาลงมามีโอกาสไปเจอพ่อค้าเตอแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นมิสุกิเมะมองดูแล้วเหมือนกับว่าข้าวเปี๊ยเหมือนกับที่รูปไปเห็นคนที่ข้าวบนบุษกาลจากจะเรียนถามพ่อว่าอารมณ์แบบนี้ลูกจยจะให้มีมั่นคงต่อไปจะคุณปฏิบัติเพิ่มเติมตรือสอบแบบไหนจงจะให้อารมณ์นี้อยู่กับลูกต่อไปโดยสร้างเว้นตาคนนะ เอ้เช่นผ่อพรู้าึกจะเกินไปนะะอ้ออคับกระจายน่ะเออเราเติมม่ได้เออราอยากได้งเราไม่รู้สิเราสาวยาเร่งรัดอยากอยกใชเกินไปอยากจึงเดินไปอยางขยัยเกินไปอยาให้พอดีพอดีห้ามมเกินไปอ้เอาพอดีพอดีนะใช่แล้วแล้วเข้นไปนานว่าสาวี่ก็ให้รักษาลงเกิมไป หลวงพ่อวรัลูกเป็นคนที่โง่และไม่ฉลาดเลยคุณเจาโอ้โหเชื่อฉลาดกี่ยูเหมือนกันเจะาได้โง่ตามล้วต่อไปลูกเป็นคนก็ให้ตลาดเลยฟรงหลวงพ่อได้ก็จำได้เฉพาะจุดลอยไป วควรจะเริ่มต้นแบบไหและไปลงท้ายแบบใดขอให้หลวงพ่อช่วยตัดเป็นตัวอย่างให้ดูสักครั้งเดียวนเริ่มตุ่นะแต่ฉันไม่ตัดหร้กเาไปแล้วเขาบอกให้เป็นตัวอยา่างตับานะ <c oughs> ก็เริ่มตังอย่างนี้นะห <c oughs> าเสียงเท่าหาเสียงหวังเาาางเิน <c oughs> ใต่เงินพอซื้อโต๊ะเล่นไหม <c oughs> เคเห็นเมื่ออนเรลับด้คนไปคอก่อนง่ายดีอ่ะผมก็ถากอแล้วก็อหนึ่ก็ว่าอาคนเรมือนโเร่เมืนไปแต่กันห้าเราเมียไรเล่าคนไม่เกิดแก่เจ็บใต้ยก็ด้วยเห็นเห็นเลยใช่แต่ก็ภาพใช่นี่คือวิวโฆษณาใหญ่ของจริงที่เราเห็นอยู่ที่คนเค้เกิไม่ได้เด็กจไม่ได้ตัวไม่พ่าย ใจใหญ่ๆ t ป็เหนุ่มเป็นสาวใจหนุ่มสาวก็เป็นคางคนน่างคนแล้แก่แล้วมาตายร่างกายไม่ใช่เราหรอกเรามีแค่นี้แหละต้องตไม่ใช่เราใช่เขาคิดว่ามันต้องตายหรือไงเอาตาดูเดียวพอายย้เท้างหาึ่เลยแบบะจ ชาข้าวเทศบุญหลวงพ่อที่เขาลบด่างผูบจะมาปฏิบัติธรรมนะครับหลังคนก็ลูกได้ฟูคำโทษจากเทวดามาเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วรู้สึกว่าคนไม่ไหวจาเป็นจะต้องมาพุ่งหลวงพ่อจะให้หลวงพ่ออองเทวดาจะลงโทษผงต่อไปเลยผมมีเรื่องดังนี้ ขอจะปูความโทษเวลาทำสมาธิเท่านั้นไม่เป็นอะไรเลยทำสมาธิทไรก็้องวดหัวปวดโน่นวดนเดไม่ดีอารมณ์ก็คล้อยเกผมคิดว่าเทวดานี้จะต้องตับขอจะต้องมีอันเป็นไปอย่างไรอย่างหนึ่งขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนาเทวดาอย่าลงโทษผต่อไปด้วยเถิดะเจ้าค่ะวไม่รู้เจอเราหมายเลยเทวดามีเยอะนะเน่ยใช่ เดี๋ยนี้าไม่เรียกโรดาเขากอครัขันธมารคนเราพวกก็ดตไปที่ไม่ใช่ใช่ใช่ราะถาแบบนี้จะหายหรอพวตเมตตาเจิดจโตโตนะช่างมันช่างมันจะตายเาะช่างมันจะปวดว่าช่างมันใครรู้จักทุกภาริยาศาสตร์ เนี่ยร่างกายมันไม่ทุกอย่างนี้ถ้ามีร่างกายอยู่ใช่ไมถ้าเราเกิดไปนิพพานไม่มีร่างกายนี่มันยังไม่ทุกอย่างี้ขึ้นอยูร่างกายนี่เราไม่ต้องการอีกธรแล้วอไม่ต้องการร่างกายใช่ใช่ช่ที่กลับไปในหัวเกิดไม่ต้องการร่างกายเมียเม่การกายถึงจะรนแต่จริงชงเนเลยใช่ช่ายน้าที่มาเล่ต่อโอ้โอ้่้วตมามาดใจบหลร่างกาย ก็ทำที่ร่างกายในพระพุทเจ้าเทศน์ไหมก็ไนในในด้ไปมีขัหาเดือนเดียวเปลี่ยนในถน น, นเน อ, อ๋อปดีครัทนั้นแหละไปดูหน้าไหนให้ไม่เจอกันห้าไม่มีเลยไม่มีเลยใช้เคยไปถันเลยทาจารม้านลงอ๋อฉันอ่านก็ได้ไปดูกว่าสามปีปีหลเที่ยวนะปีที่หนึ่งอ่านไปอ่านมานมาไปปีสจบกัท้อ ปีสามพ่อจานบางตอนยังจําไม่ได้หมดเลยฉันก็ชักโมโหตัวเองว่าทําไมคนนี้ไม่เคยเรียนมาเลยเพอไปอ่านไม่เขาไม่ทายายั้นบอกทรงไม่ได้ไปจบไม่เคยรู้เรื่องเลยก็ไปถามขั้นบอกว่าเขาส่งไปยังไงครับขัานถามว่าแกอ่านไม่้จบเมื่อกีเที่ยวบอกถ้ารักเที่ยวไม่ได้ครับสนักปีปีหลายเที่ยวตัวสามปีจบด้วยพ่อบางตอน เรากลับไปดูใหม่ดี่หน้าไหนที่พู้เจ้าไปโพสต์กันห้าถ้าอย่านั้นผมไม่ไปดูแล้วครับไม่ใช่แต่ตางมีแค้แค่กันห้าอย่างเดียวที่เปลี่ยน้ำนวนแต่ฝูงคนบางพวกที่ฟังเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่อย่างเราเลยเราเรายาม้อใหญ่ไม่้โอะไรกินหม้อทั้งมันม่ได้ายตายแหลกโอ้โหเจ๊แดงก็หายแล้ว นิดเดียวไม่เงี้ยเลมากเลยโอจะทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็อยู่ที่ร่างกายเขาร่างกายดีกว่าไม่สนใจร่างกายตอนนั้นพอแล้วโอ้แล้วหมดช้าไม่น่กับร่างกายเนี่ยนะแค่นั้นแหละจะมีลูกมหรือไม่กวิืยร่างกายเนี่ยโอ้แต่ก็จะองพ่อตอนแรกป่านนี้ผมตอนนี้ได้ฉันนี่คนสุดท้าบ ตาฟ้าลก็ที่ก็รบอย่างสูงรูกมั่นคงในพระระนับใดแต่ก็ราคาขาวนิดๆในเมื่อครบที่ทาไม่สุกในเมื่อของูุตูได้ประกาศพยายามเป็นอะไรจะไหวจะไหวจะมีผลก็ต้องกระเือยถุงลมแพกด้วยที่นักดาบเรียนถามนี้คือเรียนถามว่า หลวงพมีอะไรที่ลูกจะเอาไปป้องกันเพื่อไม่ให้เหตารเกิดขึ้นไม่ยากไม่ยากไม่ยากมีหรครับเพราโยบายเจ้าของเกิดขึ้นเรือยเพราะพยายามยากจัท่จะไม่ทำใหทำใหนดีที่สุดใช่ก็ไม่จะไว้รี่ไม่ อยู่ว่าอาตุลหมดเรื่อหมดราวเลยนใช้เฉยๆเยธอไม่ไม่แก่ไงเราไปเทีไทยนะอย่างมากที่สุดก็ต้อยไปหาไอ้ชิโก้ไปดูแลก็ไปไปไปรไปรอคอยตั้งแต่สสี่วัน่สองวันจะไปแแบบนั่นพอแลูกานชออเปาจะเจโทํทไมเล่าฟิฟังไปดีเลย ใช่ใช่อยู่ได้ล้วตังเกนไรนะครับครับเพะ้อว่รายนะใช่ใช่พอเราเก็บขใหม่ใช่เดี๋ไปวมาถ้าตวนีก็ี่น้องค้าอเทนไม่ต้องใจนะไม่ตไม่ต้องไม่นานไม่นนใช่เพราะว่าคอี่ตู้ว่ามีสูงเยอะเพะนันก็เอาให้ับตัวดีกว่านะ ยังไงในมีอะไรสวยซุ้มก็เรียกคุณพ่อช่วยเลยไหมทงนี้ก่ยังไงครับพ่อครับฟังมุตุโรคจะจะไหวกันพรุ่งนี้วันนี้ระุเลยอลวงวันนี้แยเ้เ้ ล, ลูกละโยลูกถวายควากตนญาูลูกส่วนงนลูกของบารมีคระพุทธเจ้าหลรงพ่อทั้งที่เก่งสุดเก่งแล้วก็เหตุนใดจึงไม่สามารถช่วยได้แสดงว่าลูกจะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลวงอทุญาตขอหลวงพ่อในโปรดแม่ตาแนะนำสิ่งที่ขาดตกของที่ตัวจะมะไม่ครเ็าไม่รู้เรืง คีใช่ดีทุกทุกอย่างแต่วคนนันเขายังไม่มีโอกาสโมทนาโอกาสยังไม่มีอใช่ตะนั้นทาร่าบอกเลยเขาไม่โอกาสละเราทำมแล้วตั้งใจให้คนเดียวไปเลยนะให้เฉพาะไปเลยคมันไม่แน่นอนคุณที่ทำก็จะจดจ่อโอกแต่เราอิใช่ใช่ก็จะจดจ่ เอาต่อไปนะพระเจ้าที่เป็นโาให้จดลงไปเลยนะได้โสดาไครับเขากตาหลพ่อที่รจกสูตลูกที่มาต้องใจเกี่ยวกับเรื่องอารมโสดาปัไรปิมาโสดาปฏิผลว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรสมมติว่าเวลาลูกปรุลุเป็นโสดามากโสดาคนนี้จะรู้ด้วยตนเองหรือไม่เจ้าคะต้องด้เอง พระเจ้าจะบอกว่าถ้าถึงแล้วมียาติมึงต้องรู้บอกเองไม่เราไปขอบไปไม่ต้องเราคนเดียวมันแน่นอนครับเอางี้แล้วกันนะถ้าบางเออเราจะไม่รู้เองนะจะมีพระบอกแต่ไม่ใช่พระพระในนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าจะบอกเองอย่างตอนหนึ่งพระเจ้าได้ธรรมฐานเราเข้าใจเลยว่าจะเป็นเศรษฐกิจอาคารมี พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างี้เขาเรียว่าโสดาบันละเอียดเรื่องวิชชียใช่มอารมณ์คล้ายกันพอแต่คล้าย้ายกันสุดมากลยนะคล้ายกันมากเอาง่างก็ไม่ต้องสงันนะเมื่อรู้แล้วถ้าไม่รู้เองก็จะไม่ได้รู้เองจะได้อกใจร้องข้าพที่มาล้องจามโถอก็ เมื่อเร่องที่แล้วหนูไปทาฟันในขนาดที่หมอคละศิรวันหนูอยู่หนูฮ่อฮ่าฮ่าคือหนูไม่ถูหมอทันตแพทย์ทันตหนูที่เดี๋ยววันนี้เาเอาการการบันหนูเอะเอาคนดีกว่านะลูกกันเองอะได้ไหะ ขอพลังหมุนฟันหลูอยู่ล่างก็ปลาขอกว่าโลกเป็นชายแต่ลำบากหลวงพ่ อ, อหนึ่งภาวนามาปะทะสองจับภาพบรรพุสรุปไปด้วยรูปมีจิตเป็นสูขมากแต่พวกแท็กเดียวไม่ให้หลับตาไม่ให้ลืมตาไม่ให้ฟองรอเห็นจริงๆเลยเจ้าค่ะผู้ชายผิวสองสีรูดรอ่อรูป ร, รา่าก่อนข้างทัวไวกลางคนท้าตาใดีแต่ไม่ใ่เรื่อ อีห้อยพอเส้นใหญ่ยาวมากสองเส้นเส่นินไ่เป็นองคาเส้นหนึ่งก็เป็นหน้าต้องมองมองดูรูปลูก็เกืจะตกใจตัวแต่เลิกอีกทีว่าไปรูปถึอหงพแล้วต้องไปตัวใดๆกลติ้นที่จะเรียนถามว่าท่านมาราสุในลักษณะอย่างนี้มาดีมาล้ามมาดีหรืออย่างไรขอหลวงพ่อด้งส่งไหมมาดูว่าถึงเวลาตายหรือยัง ไปตัวกล้ดูเลยไหหน้ามาเลยอาคุณจะมาจริงหรือไม่ที่ว่าอาจารย์จะส่งอั้งแต่ต่เป็นงั้นฉันไม่ทำพันธุใดก็แบบนั้นฉันไม่รู้ดค่อเคยประสบการณ์ก้อนไหนีมือทเรียนกาทำมันเลิกเนี่ยันเสียวพันปุ๋ทําไงนะหมอจะเจ็บเขาจะเจ็บจะเสียวไหบอก้เขาบอกท่านเจ็บเสียบอกล้วไป เราก็เปิดแนบไปเลยแหละมนเหมือนก็หลับในความยืดร่างกายเหมือนหลับใจไมได้หลับเมเที่ยวไปคู่แตรจะใครเรื่อยๆไปไอไอความรสึกทางั้ใช่มะเลิกกันอวันนนเ้าไยแล้วก็ย้ายย้ายไปไหนกไหนย้ายย้ายเขาส่งเืองเอยได้วิธีใหม่แล้วรบก็เป็นั้นว่าที่เห็นได้นัืประโยดานะ ใช่ใช่มาหมเพราะจะได้กินได้รวยลอยราวสมณประธานหลวงพ่อมีพระจากสูงก็มีวันหนึ่งพราไปถนัดถือเกี่ยวระเลื่องเตรียมตที่จะใส่บาทละพระเอสื่อสายไปดิสมึนวัดก็ไม่าก็เลยเอาไปถวายวัดอีกวัดอีกวัดหนึ่งเพ่งไกลเองจังฟ้าคนก็วาดไปถันเพย์ก็วัดหมดดังนั้นลูกเลยต้องเอากลับบ้าน มานั่งองอยู่ต้องนานก็จะกินเองก็เองก็จะเป็นโทษไอ้จะซึ้งไปก็ได้เลยลูกเอาไปถวายลูกพุทธรูปที่บ้านแล้วก็มาพากันจะนี้จะมีโทษหรือเปล่าจะฆ่าไม่มีมีแต่คุณมีแต่คุณเขาตั้งใจไปทาบุญแล้วมันมันเป็นบุญแล้วตัวตั้งตัดสินใจดีนะตั้งใจถวายก็สงฆ์เลยก็สงฆ์เลอยู่กลับมาถวายพระพุทธช้ได้เลยได้ทั้งสองทาง พุทธาลุติทุกัลุติธรรมทานบารีโอทีบางคนไม่แน่ใจแต่ตั้งใจทำลุรรมทุกจะมีโทษอะไรใช่แหนว่มีนัดขอล้วุกไปจะมีไปเลยไม่ได้สวัสดีคู่เลยแต่ถ้าหลวงพ่อคุณจําับจำถูกลูกเองให้สาหัสที่ชาให้วา รได้คือาคนทีมาถาว่าอย่างนี้ว่าการบูชาพระพธ์เห็นว้าจำเป็นจะต้องหล่อน้าให้ท่านอยอย่นน้ําพื่ถูกต้องเือจะได้ผลคุณเองไม่มีความเชื่ใจในเรื่องนี้อยาขอความวัดิากวง่อว่าควรเลือไม่อย่างไรเึจะมีผลสมบูรณแบบจะได้ ใช่ก ko. ็ไม่พอใจเหมือนกันไม่ได่ไปเลยใช่มีความรู้เท่ากันแล้วรู้เอามาใส่ใส่แล้วรับควบคุมกอ่างแล้วหตามดออุ้ณใครโนพระมาบ่ายกลางแถวทะเลโอ้โอ้คุณสมบูรณ์เสร็จโอ้ไม่ได้รับโอเรียนกันแะไรก็เลือกปีนการขอไม่รู้อะแต่คนที่เอาจริงจริงออกไปรู้เลยพาใจเข้ามาโอคุณเง้ลอาจามัากระวงทะเลนีเ็กแกอยู่ช่ไหม เายทำไพระโบเกลไมทําไปโบฟาครับคงหัวอยู่พีเรื่อพมาพระม้าคิดขึ้มนแข็งไมใชไทยแลนด์นะไม่เห็นไทยแลนด์เราเรื่องเต็มพรม้าเลยถ้าตลงก็จะมีน้ำไม่มีน้ํตกพระพักตรเก็ไม่แก่เต็แต่บูชาเนขันกันแล้วกันนะพีเรืองว่าพระโบเกที่เป็นพระสงฆ์ไม่ใช่พระ เขาใจปิดเป็นหเลยเป็น้าแค่เดียวอย่ป้าไม่ใช่ไม่ใช่ที่าฝากล้วแทนเลยข้าแทนอบคุที่แล้วข้าทำแทโอคุทอาลือจกนพระพอลวงพ่อคุณโยมโยมขอาผมได้ขอการเรียนถามว่าวันที่วิเศษทีิสีวิหาที่ว่าข้าพุ่อจดเริ่ม วากี่โมงแล้วพิธีนี้ถ้าจะเข้าร่วมพิธีด้วยจะเป็นจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อให้นูต้องครับพิธีการวัดเขารเรื่องประมาณหกโมงเย็นพิธีเตรียมไปก็คือหนึ่งลูกเกินเตียแล้วลุกผ้าไม่ลูกเกงไมก็ได้มีกต่เก่งนอกใจได้สวมเสื้อให้ดีถ้าเดินให้เรียบร้อย ให้ดิวคัเลยจะมาหน้าวัดไม่มีอะไรมากวิธีโตตีออแตกายก็ไม่ตอถามแถวได้ใช่ใชีอย่างนีก็ตายไม่มีหม่านมากที่วัดอ้าวแลว่าถ้าใส่ข้าวธีก็ต้องไปก่อนหมุดมุมต้องไรก่อนเพราะเรื่อเขอาปดประตูจ็จะแต่กาก็ตาวที่แล้วตุกเสกข้าวมหาลากข้าว โดยเฉะอางนี้เวลาเขาเตะเตะจมีแล้วเขาสี่พรสู่้เว่ยผู้ว่ของพ่เดียวเลยสบายไม่โนหูไอ้วกเว้ยเว่ิตพวกแกล่ะเระช่รู้เท่าไวกเว้เวเาหล่อสบายู๊ดี่ปนมาเินใช่ใช่ใช่อหน้า่เงเลยนะใช่ ไปาทางเรามี่มีว้าว้มหมูตอแลวฮะไอข้าวที่ดีนี้จะไดุ้้ ม, มันไม่คย ม, มีเสียงเฮ้ย <c oughs> จอดมีเสียงไหมเก็รอยแพร่เฉยปีแล้วปีมันมีเสียงมัจะขึ้นมาเราต้าแปงเราเสียงไม่ดังมากใครจะไปก่อนเนะวั น, นที่24โปรทองเย็นเป็นต้นไปตาข้าหลวข้าพิทรส จ, จากสงแลวผม ปฏิบัติเป็นประจำตามต่อไปนี้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจครือหนึ่งเวลาปกติของเวลาสวดมนต์ผมจะเอาเรียนทาน้งมนต์ของหลวาพอ่อวางไว้บนหัวศีววรษะแล้วก็ว่าจถ่ายจิดกินโหรเรจจบนามาธาตุฆ่าจบผมคาพบว่าอาฆ่าโรคไท้เจ็นปเสสาแล้วก็หายไปโดยไม่ต้องกินยาหาหอ เมื่อได้โหาดนี้ก็ผมอยากจะขอถวายแนะนาว่าให้หลวงพ่อทดลองดูบ้างโดยถงมันเขาได้ใจเขาวางสูงนะอาสูงไเลยครับสูงเขาก็เป็นมือโหล่ที่ฉับก็ไดหลอกลากับตับก็หลอกตับเลยเออทุชั้นน่ะก็ใช้นมลอยเสมอไม่จะลืมว่ากาหนดเวลามีอยู่ คือพุทธเจ้าก็บอกว่าต้นทันวาหมายถึงว่าพรววันาหน้าเนี่ยถึงแม้เป็นสองทันวาเนี่ยต้ อ, องโโรักษาสองปีของโรคไข้ท่านเกิดมาก็ไขว่เรื่อยๆเวรไขเรื่อยๆมันไขว่ไปเอ ย, ยปเอะแล้วยลืมว่าเกาก่อนคบการเก่าทาไว้มาก ม, มันเล็กน้อยในเรงการเล่นที่จะซื้สองลูกนี่จะหนีจะหนี เจ้าหี้ก็ตามทวงก็ชัมมันแล้วที่บอกว่าเรยวๆนี้อะไรอะไรองนเท้าก็ใช่นั่นแหะตรงทางผมเนี่ยเราเข้าสารเนี่ยอยู่ๆกองไม่เฉไม่มีลาก็อจะไปเข้าภาษาเข้ไม้ทิ้งฟันไปทนแทเท้าที่ใช่ใจทีเดียใช่โอ้เรามาต่อมาต้องฟังด้ยนใช่อันนี้เป็นบาามีอะไรทีไม่ใช่โลกไหลออก เราไไหลเราไปล่างเลยพอง้องเลยน้ำน้ำมาก่อนแปะเราแกไหเบาทะลุดเบาแปะจะายกูได้นะถ้าท่านมาส่งเดียวก็เหนือมากไปเราไปไม่ต้องก่พูดแล้วันนี้เหมดจ้าวันนี้ก็เปลนว่าใครจะลองทางดูก็ได้นะเรียนฝ่ก็ต้องปฏิบัติเขา ตาแบบว่าไหวได้ไหมนะครับใช่ใช่นาใช่นี้ก็ดีไม่ตั้งใจดีให้ได้ใือจะได้ตาเห็นชัวทีก็ไป็นญาติประจกษ์นะผานแล้วก็สบายแล้วก็บอกเลยยกนเจะองทาเป็นคนแรกเลยเะได้ผลที่หน้าคนไทยบ้าถ้าทุกอย่างถ้าตังใจนะครับแทนผลที่หนาคอไทยใช่ปะ ราคะเราก็จะลดจากตร ง, งเมื่อเรือที่ผ่านมานี้เองลูกไปซื้อกุ้งจากตลาดซึมันตายเลยไม่เดีือดรอยแล้วในขนาที่เอามาถึงบ้านก็แกะเกลือกุ้งแล้วก็ผาหลังกุ้กแต่ละตัวแต่ลคคะตัวก็ปลาหมดก็ตัวสุดท้ายอ่ะก็ท่าแล้วมันมันกระโดดแกวลงไปสิ้นกระเดวก็ะเดวแล้วก็หยุดแล้วก็ตายไปเลยวาระหนึ่ง ลูกมีจิตรู้สึกว่าไอ้เจ้าคนนี้มันคงจะมาบอกผมว่าให้ทาบุญทำบุญผสุดรีไปให้เรื่อยๆมาด้วยนะมั่งตามเรียนศึกษาหลวงพ่อว่าการทำบุญสุนทรีให้แกกุ้งจะต้องทแบบไหลถึงจะถูกใจกุ้งก็รด้ให้กุ้งกุ้งตัวซ่าคายหลังกุ้งกุ้งสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ ความกว้างละสามวัยาวะทิ้งวาเรื่องดอกใบาวที่เป็นตัวที่ปลูใจเราไปโกหกใส่สารพัดทานเยอะแไปแล้วสารพัดทานก็ดีทสุดแล้วโอ้โเออใครที่ขาดสาตพัดทานนะทำอย่างอื่นไม่ตื่ใจไม่หายไม่โอโหสิก็เรงลองสารพทานก็ได้ ไปเดือดกันที่โรงพักทั้งสามตู้ทองเลยเดินกลับบ้านทุกหมข้ารู้เลยมาที่ที่นี่ใไลน์นี่ใส่ว่าข้าดูบอกแอบเลือกภาษาดีแล้วผมมันเอาไม่อยู่วะภาพภาพตัวภาษหัวตะเกียบแบบนี้ไงไะไม่อยากพายกันนานี้เรามาเออพี่มาว่าข้าดูเรื่องตนตกรอกเรื่องแมกโทรศัพว่าต้อเข้ยงามา ไม่ได้ยกขึ้นไป่ช oh, well. ันถ้าคุณท้งหมดแล้วหมดตัวเลยดีแต่ว่าโอดีอะไรไหมเออแกมาอธิษฐานที่บ้า้าโบสถ์มก็ทำรูมาบอกว่าแต่หลว่าโบสถ์ว่าทุตอนที่ลูกสดแล้วจะไ่ขอหลวพ่อเป็นใจแก็เลยมาขอพรอาค์ในพระพุทธเจ้าอยู่หน้าโบสถ์ให้ด้วยเพื่อหลวงพ่อให้กลับได้มันได้เจ้าตามจริงริ ไอคนที่จะกลับกรุงเทพไอตอนไปไกันหลายคนไอตอนกลับมไม่กลับขาเพาว่า้ากุงแต่ก็ได้กลับองแกก็ตัวแกก็ถามด้อยกับแต่ก็มองว่อโบ้ตัวนี้ขอให้มีคนไปกรงเด้วยเาอกไปคนเดียวนึงัวโทษโดนนี่เลยไอคนนั้นจะลไหว่เข้าไปในถาไหวทไมตองถามด้วยกับผไม่ใช่กไม ก็หลือโชคดีเนี่ยการทาบุญหมดตัวก็ถือว่าทบุญสูงสุดนี้ใเรื่องเร็กเรื่งใหญ่นะที่สูมากใช่ใชแต่ไม่ต้องถืาหมดแบบนั้นหรอกท่านรยลว่าเราการฆ่ารดเวล้วการฆ่าหายไปแล้วเนี่เืออยู่นั่นทาบุญเท้งหมดแต่การสุนีว่ายี่ถือทําบุญหมดตัว อ น, นี่าจริงๆเลสูงๆมากมันไ ม, น ม, นมได้าผลแม่ปัจจุ บ, บันด้วยนะไอ้สงสงจัดหายากเวลานี้เราไข่สีทุ่มเลยนะนี่เลยสองนาทีสี่ทุ่มจัดอันนี่ดีิีแก้ฝันฝัน จะทำอย่างใดประการใดกะตามพยาสายข้าต่อให้ไยขอเธอชวนพุทธบริษัทโูกหานหลายเอาจิตตั้งป็นพระนิพานจับพระรูประปสมองพระเดชปฏมาพระติจารไปชัดเจนเหยนยดไว้ตามความจริงการดึงคุณไปโอะมิพวานไม่ได้ถ้งสุดองค์พระุทรูปที่ตเองก็รวบรวมกำลังใจการขออาลนาบามีองค์พระเดชปฏิมาพระติจารผูทรงองค์ พระัเจกัะพระจิกจาพระองค์พระคำพระอเยสุทั้งหลายทรงเจริลานก้พิลาปีาดาตัวาจาสิทธิ์ทั้งหลายทุกวงก็ได้ตกของก็เอาขอก็ขันหน้าตรงข้อให้มีบารมแรงแหสมคมโบนในอันที่จะช่วยเหลือประเทศไทยพระรุตธรรมนาจันทุตบริษัททั้งหลายทุกทุนละสามลำโมสามจบโหรือโหรสามจบพ้อมสามพระการระบาดนี้